ประสบการณ์จากพระธุดงค์หลวงตาเล่าเรื่องจากประสบการณ์หลังจากสิ้นพัตนารเช้าหลวงาต า, างจะแสดงธรรมหลายแบบหลายฉบับ ตามเหตุผลหรือเรื่องที่เข้ามาสัมผัสผู้ฟังธรมรมประจำวันส่วนใหญ่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือมาจากในเมืองการเทศนาของท่านจึงเป็นแบบกันเองระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกหาจึงมีทั้งเรื่องจิตตะภาวนารุล้วนเรื่องจากประสบการณ์ การปฏิบัติธรรมของท่านเองในช่วงชีวิตต่างๆกันหรือเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เป็นคติเตือนใจชีวิตการออกธุดงกรรมฐานของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านทำให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสสัมพันธ์ กับเรื่องต่างๆมากมายทั้งเรื่องความอัศจรรย์ของจิตทั้งเรื่องที่พบเห็นขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าเขาลำนาไพร่เรื่องสิงสาราสัตว์ชนิดต่างๆเรื่องคนป่าคนเมืองหลากหลายท้องถิ่น สบการณ์หลายต่อหลายเรื่องจึงเป็นสิ่งที่บรรดาเราเราท่านท่านอาจไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนเลยเพราะไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตผจญภัยหรือโยกย้ายไปมาในทินต่างๆเหมือนกับท่านและบ่อยครั้งเมื่อครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านมีโอกาสได้พบปะกัน เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นยิ่งถูกถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหลวงตาท่านก็เคยนำประสบการณ์หลายเรื่องที่ได้รู้ได้เห็นหรือได้ฟังมาเล่าถ่ายทอดแก่ลูกหลานซึ่งล้วนเป็นข้อคิดคติเตือนใจเป็นอย่างดีดังได้คัดมาแสดงบ้างดังนี้ ท่านอาจารย์มั่นรู้ว่าระจิตหลวงปู่ฟัน่นท่านอาจารย์ฟัน่นอาจารแห่งวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครสิทธิ์ท่านอาจารย์มั่นองค์สำคัญองค์หนึ่งท่านอาจารย์ฟัน่นออกจากโคราตนี้ไปหาหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่ ท่านอาจารย์มั่นอุตสาหออกมาต้อนรับเลยนะเห็นไหมเก่งไหมที่วัดเจดีหลวงท่านรู้ภายในข้างในนี้ท่านอุตสาหออกมาเมื่อท่านอาจารย์ฟั่นไปถึงนั่นวันหนึ่งหรือตอนเช้าวันที่สองตอนสายสายท่านอาจารย์ฟัน่นเห็นท่านอาจารย์มั่นมาหาหน้ากุตินั้นเลย พอมองเห็นก็คิดอยู่ในใจโอ้ยท่านอาจารย์มั่นนี่จึงรีบโดดลงจากกุฏิเลยท่านเดินกึกกักกึกกักมาโอ้ครูอาจารย์มาอย่างไงยังไ ง, ง, ไงก็มารับท่านนั่นลหละนั่นเห็นไหมบอกว่ามารับท่านแล้วก็พาไปเลยเชียวนั่นท่านทราบไว้แล้วเก่งไหมบอกว่า ก็มารับท่านนั้นแหละพอไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องสถานที่นั่นดีอย่างนั้นที่นี่ดีอย่างนี้ทางท่านอาจารย์ฟัน่นก็เลยคิดอยากไปอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ในตอนนั้นท่านอาจารย์มั่นไม่เห็นอะไรสมควรยิ่งกว่าอยู่กับท่านในขณะนั้น สมกับเหตุผลที่ท่านมารับเองตอนกลางคืนท่านอาจารย์ฟั่นก็คิดถึงเรื่องที่จะไปที่นั่นที่นี่พอโผล่ออกมาท่านอาจารย์มั่นว่าไหนจะไปไหนว่าอย่างนั้นเลยนะนั่นเห็นไหมละ่ะจะไปที่ไหนอีกเปิดประตูออกมาตอนเช้าท่านอาจารย์ฟั่นจะคอยรับบริขารท่าน พอเปิดประตูออกมาฮะจะไปที่ไหนว่าอย่างนั้นเลยนะที่นี่ดีกว่าทางอาจารย์ฟั่นนั้นก็ปิดปากเลยเงียบไปแต่ก็ไม่นานละ่ะก็คิดอีกท่านอาจารย์ฟั่นเล่าเองแหละคิดอีกว่าจะไปที่นั่นท่านก็เอาอีกพอวันหนึ่งจิตท่านลงอย่างนั้นละ จิตท่านอาจารย์ฟั่นนะนั่งภาวนานี่จิตลงอย่างอัศจรรย์เลยสว่างจ้าครอบโลกธาตุท่านว่าอย่างนั้นนะพอมองไปหาท่านอาจารย์มั่นทีไรเห็นท่านนั่งจ้องดูเราอยู่อย่างนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะมองไปที่ไรมองจิตส่งจิตไปทีไรท่านนั่งจ้องเราอยู่แล้ว หมอบกลับมาพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดประตูเท่านั้นแหละประตูกระต๊อบนะไม่ใช่กุฏิอะไรใหญ่โตนะกระต๊อบกระต๊อบทั้งนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยู่มีแต่กระต๊อบกระต๊อบทั้งนั้นนะหรูราที่ไหนนั่นแหละสถานที่อยู่ของธรรมหรูราไหมสถานที่อยู่ของธรรมดวงเลิศ ผู้เลิศมักจะอยู่อย่างนั้นและอยู่อย่างนั้นทีนี้พอเปิดประตูออกมาท่านอาจารย์ฟั่นก็ไปรอเปิดประตูออกมานี่ยืนกึกเลยเชียวนะเป็นยังไงเห็นหรื อ, อยังศาสนาทีนี้เอาละนะแทนที่ท่านอาจารย์มั่นจะให้เข้าไปจับไปขนบริขารเพื่อเตรียมออกบิณฑบาต ไม่ให้ไปนะท่านไปยืนกันอยู่ที่ประตูเลยทางนั้นก็คุกเข่าหมอบนั่นอยู่เป็นยังไงเห็นหรื อ, อยังศาสน า, าทีนี้หฮหือขึ้นเลยศาสน า, าอัศจรรย์ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ไหนมักผลนิพพานอยู่ที่ไหนเห็นหรื อ, อยังว่าอย่างนั้นนะยืนจ่อซัดอยู่ที่นั่นเลย เสียงเปรียงเปรียงเจริญที่ไหนเห็นหรื อ, อยังทีนี้คือกลางคืนนั้นจิตสว่างจ้านี่นาก็ท่านอาจารย์มั่นดูอยู่แล้วนี่พอออกมาท่านถึงใส่เปรียงเลยเห็นหรื อ, อยังศาสนาเจริญที่ไหนหือมรรคผลนิพพานเจริญที่ไหนผมดูท่านทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้ ผมก็ไม่ได้นอนมันก็ยอมรับเลยพอท่านอาจารย์ฟั่นจ่อจิตไปทรงจิตไปทีไรท่านจ้องดูอยู่แล้วมันก็หมอบถอยถอยดูทีไรจ่ออยู่ผมก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อคืนนี้ดูท่านนี่แหละว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงวันไหน ศาสนาเจริญที่ไหนจ่อเข้าเลยสินั่นเห็นไหมท่านมาเล่าให้ฟังท่านบอกโอ้ยขนลุกเลยไม่ทราบมันเป็นยังไงทั้งปีติอินดีในจิตอัศจรรย์ปีติอินดีล้นพ้นและอัศจรรย์ท่านอาจา ร, รย์มั่นก็อัศจรรย์ล้นพลนท่านว่าอย่างนั้นนะชมความอัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืนเลย นั่นแหละทำหาอย่างนั้นแหละทาอยู่ที่นี่แหละชี้เข้ามาที่ใจเท่านั้นรับธรรมใจเท่านั้นรับมรรคผลนิพพานสิ่งอื่นใดในโลกไม่มีอะไรรับได้ ท่านเล่าถึงพลังจิตของท่านอาจารย์ดีแห่งวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการดังนี้พูดถึงเรื่องจิต อย่างสมัยปัจจุบันนี้นะคือทำไมถึงทราบกันได้ก็ทราบในวงปฏิบัติด้วยกันนะสิพระกรรมฐานประสานกันอยู่ตลอดเวลาพวกเราคราว่าตไม่ค่อยทราบกันภาคปฏิบัติทางด้านจิตตะภาวนาองค์ไหนเป็นอย่างไรอย่างไรท่านจะทราบกันอยู่อย่างลึกลับอยู่ภายในของท่านนะ ในระหว่างพระกรรมฐานด้วยกันแต่คนภายนอกนั้นไม่ทราบเพราะท่านไม่พูดเวลาไปไหนพระกรรมฐานเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงๆเราจะไม่ทราบเลยเหมือนกับผ้าที่ริว้วห่อทองท่านไม่ได้มุ่งพูดอะไรต่ออะไรนั่นละ่ะถ้าความเป็นธรรมจริงๆแล้วจะไม่มีโลกามิต เข้าไปเคลือไปแฝงเลยแต่ในวงปฏิบัติด้วยกันแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่อะไรก็ต้องเปิดสู่กันฟังเพื่อจะได้แก้ไขกันมีอะไรอะไรขัดข้องตรงไหนพอองค์นั้นเล่าให้ฟังแล้วขัดข้องตรงไหนองค์นี้จะแก้ให้ทันทีแก้ให้แล้วเปิดทางโล่งนั่นเรื่องของจิตเป็นอย่างนั้น หลวงปู่มั่นนานๆท่านจะยกองค์นั้นมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นแหละทีนี้ยกมาคราวใดจะต้องมีจุดสําคัญสําคัญที่ท่านจะนําออกมาอย่างท่านอาจารย์ลีนี้ท่านก็ว่าท่านลีนี้นะกําลังใจดีมากฟังสิกําลังพลังของใจนี่จะยกตัวอย่างให้ประกอบกับ คำว่าพลังของธรรมท่านเฟื่องเป็นคนเล่าให้ฟังเราไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยละท่านอาจารย์ลีนั่งอยู่ท่านเฟื่ององค์หนึ่งและเด็กชื่อมนูนคนหนึ่งอยู่นี่แล้วท่านก็นั่งตอนนั้นก็คุยธรรมะกันเล็กๆในน้อยนะเออเราจะพานั่งสมาธิ ท่านอาจารย์หลีว่าอย่างนั้นเอาเข้าที่นั่งขัดสมาธิท่านว่าอย่างนี้นะท่านอาจารย์เฟื่องเล่าให้ฟังพราว่าอย่างนั้นองค์ท่านอาจารย์หลีท่านไม่ได้นั่งหลับตาหนี่ท่านไม่ได้นั่งเข้าที่ท่านนั่งธรรมดาเอาโน่นเข้าที่พอนั่งปุ๊บปับเด็กเข้าที่นั่งสมาธิท่านคงเคยสอนมา ท่านอาจารย์เฟื่องนั่งอยู่ทางนี้เอา้าเราจะให้ตัวลอยนะท่านอาจารย์ลีกล่าวนี่ล่ละที่ว่าพลังของจิตเราจะให้ตัวลอยนะพราว่าอย่างนั้นเอา้าขึ้นขึ้นแล้วดูมือท่านนะอาจารย์เฟื่องดูท่านว่าท่านทํามือด้วยเอ้าเอ า, เอาขึ้นขึ้นขึ้น ท่าอาจารย์ทำมืออย่างนี้ขึ้นจริงๆเด็กคนนั้นนะตัวลอยขึ้นลอยขึ้นแต่สูงขนาดนี้นี่แหละพลังของจิตที่ท่านอาจารย์มั่นว่าพลังของจิตท่านหลีนี่ดีมากฟังสิพลังของจิตดีมากนี่แหละพลังเป็นอย่างนี้แล้วผูเด็กนี้ลงแล้วทางท่านอาจารย์เฟื่องก็คิดมั่นใจว่ายังไง ท่านก็จะให้เราขึ้นคราวนี้เราจะไม่ยอมขึ้นวันนี้ฝืนกันแล้วก็จริงๆสักเดี๋ยวท่านอาจารย์ลีก็ว่าเอ้าเฟื่องท่านเฟื่องปราบรบในใจว่าแล้วทางท่านอาจารย์ลีนั้นว่าเอา้าเอา้าขึ้นขึ้นท่านอาจารย์เฟื่องว่ามันจะขึ้นจริงๆว่าสู้ท่านไม่ได้ เราไม่ให้ขึ้นนะสิแต่มันอันนี้มันโยกแล้วมันแปลกๆ แ, แล้วท่านว่าเราก็สู้สู้แต่สู้อย่างไรก็อย่าให้พูดเถอะขำไอ้เรื่องแพ้อย่ามาพูดเลยคือเรื่องแพ้ท่านอาจารีท่านเฟื่องว่าอีกนิดหนึ่งนะลงเลยนั่นหัวขม ำ, ำถ้าสมมุติว่าก้นเราไม่ขึ้น หัวเราต้องขม ำ, ำท่านว่าอย่างนั้นนั่นนะ่ะเห็นไหมนั่นไม่ใช่เล่นนะพอเสร็จแล้วแล้วท่านก็ยืนอยู่นะพอเห็นทางนั้นขยุกขยิกขยุกขยิกมันจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นนี่นะพอเสร็จแล้วท่านก็หยุดพอหยุดแล้วก็นั่งละ่ะโอ๊ยดือ้อหลวงตาพูดอย่างขบขันท่านอาจารีพูดอย่างนี้ ท่านไม่พูดมากเอ้ยดือ้อขำผมยังไม่ลืมอยู่นะท่านเฟื่องว่าท่านอาจารย์ลีมียิ้มอยู่บ้างนิดหนึ่ง น, นี่ละเรื่องพลังจิตอันนี้ก็จะเป็นได้บางรายเพราะเป็นเรื่องภายนอกใช้ภายนอกต่างหากตามแต่จริตนิสัยของใครที่จะใช้ในทางไหน ไม่ใช่หลักของศีลสมาธิปัญญามัดผลนิพพานจริงๆอันนั้นเป็นหลักเพื่อจะละจะถอนกิเลสกำลังจิตอันนี้มันเป็นเครื่องใช้แล้วแต่ใครจะมีนิสัยวาสนาหนักไปทางไหนเช่นเหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนที่ท่านแสดงไว้ในอภินยาหกหรือวิชาสาม วิชาขี่เสือวิชาขี่เสือนี้เป็นวิชาไสยศาสตร์อันหนึง่งเขาไล่มนเรียกเสือมาเสือก็มาจริงๆอย่างที่พวกเราขี่เสือมีนะนี่ละ่ะไสยศาสตร์ขี่เสือได้นะขี่เสือป่านี่ขี่เสือได้ที่บ้านน้องแวงนี่ก็มีคนหนึ่ง เราเกิดไม่ทันผู้เฒ่าตายเสียก่อนเขาเรียกพานป้อคนที่เตี้ยขี่เสือมาเรื่อยไปในป่าพอไปในเหนื่อยแล้วขี่เสือออกมาเขามีวิชาจับเสือขี่อันนี้ก็มีคนหนึ่งอยู่ทางบ้านใหม่อำเภอบ้านใหม่หรืออำเภอบ้านม่วงมีเสือดงใหญ่คนนี้ก็ขี่เสือได้ ไปเรียนวิชามาจากฝั่งลาวไปเรียนกับพวกโซ่พวกขาเขาเรียนวิชาขี่เสือว่าไปด้วยกันห้าคนครูนำหน้าไปพอไปตั้งทับลงตรงนี้ปับ๊บแล้วก็นั่งร่ายมนเรียกเสือมาเสือตัวไหนอยู่ใกล้มันก็มามาก็มานอนอยู่ตามนี้เสือเสือโคร่งนะคนร่ายมนทีนี้เสือก็มา ลูกศิษย์นี้ต่างพากันกลัวจนตัวสั่นแหละอาจารย์เป็นคนไา่เสือมาทีนี้พอมันมาแล้วก็สั่งคนนั้นไปขี่เสือมานี่คือมันมานอนอยู่ตามอย่างนี้ให้ขี่เสือตัวนั้นเข้ามาหาครูนี่ครูนั่งอยู่นี่ทดลองในขั้นนี้ก่อนนะทดลองเป็นขั้นๆจนกระทั่งใจกระหาร เชื่อวิชาตัวแล้วทีนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็สั่งคนนี้ให้ไปขี่เสือไม่ยอมไปกลัวเสือกินหัวมันอาจารย์ไล่ไม่ยอมไปเสือก็นอนดาดาดอยู่มันดงเสือนี่นะตัวไหนอยู่ใกล้ก็มาก่อนตัวไหนอยู่ไกลก็มาบางทีจนคนจะเลิกแล้วค่อยมาถึงก็มีทีนี้พอถึงคนที่ห้านี้ ตัดสินใจเลยตายก็ตายถ้าครูไม่เก่งจริงจะเรียกเสือมาไม่ได้เอากันตรงนั้นตัดสินถ้าครูไม่เก่งจริงแล้วเรียกเสือมาไม่ได้ครูต้องเก่งนี่ครูเป็นคนบอกเองให้เราไปขี่เสือมาหาครูนี้จะเป็นอะไรไปเอาตายก็ยอมตายไปก้าวขาจะไม่ออก มันแข็งไปหมดว่างั้นเอาเอาไปบังคับให้ไปไปก็ไปขี่เสือมาหาครูเพอะขี่ตัวนี้มาแล้วไปไปขี่เสือมาอีกขี่ตัวนี้มานอนอยู่นี้นอนอยู่หน้าคนนี่ลหละไสยศาสตร์เขาเก่งไหมก็ขี่ตัวนั้นมาขี่ตัวนี้มากล้าหาญละ่ะนี่เป็นครั้งหนึ่งแล้วนะทดลองพักแรก พักที่สองครูนั่งอยู่ที่นี่ให้ลูกศิษย์ไปนั่งอยู่โน้นห่างจากครูไปให้ลูกศิษย์เป็นคนร่ายมนเรียกเสือมามาหาแล้วก็ขี่เสือมาหาครูเขาทำหลายพักนะเขาทดลองคือที่แรกเรียกมาหาครูเสียก่อนให้ลูกศิษย์คนนี้ไปขี่เสือเข้ามาหาครูไปขี่เสือตัวนั้นเข้ามา จากนั้นแล้วก็ให้ลูกศิษย์นี่ไปอยู่นอกๆโน้นไ ก, กลๆแล้วก็ไปไา่มนเรียกเสือมาแล้วขี่เสือมาหาครูทีนี้พอชำนาญแล้วถามลูกศิษย์ว่าแน่ใจแล้วไม่กลัวแล้วก็ปล่อยละ ตาคนนี้แกขี่เสือคนบ้านไมยนี่เขาเห็นกันหมดทั้งบ้านปฏิเสธได้ยังไงทีนี้จึงรู้ว่าเสือสติมันดีรู้กันตามนี้ว่างั้นแกขี่เสือไปนี้ไปตามด่านในดงคนมาทางโน้นเสือมันดิ้นแล้วทางนี้คนมาไม่ใช่คนธรรมดาคนธรรมดาก็เป็นอย่างหนึ่งพูดกันจอแจมา แต่นายพรานมานั่นสินายพรานเขาไม่ได้จอแจนี่เขามาจ่อเลยหายิงเนื้อล่าเนื้อนายพรานก็รู้พอนายพรานมาข้างหน้าโ น, น้นทางนี้ดิ้นแล้วจะออกจากทางพอเห็นท่าไม่ดีก็ปล่อยปล่อยก็วิ่งเลยเข้าป่าปับ๊บสักเดียวนายพรานก็มา คือสติมันดีอย่างนั้นนะว่านั้นรู้ได้เร็วมากไอที่จะไปเจอกันจริงๆไม่ได้เจอง่ายๆแหละมันดุกดิกดกุดิกแล้วพอจวนเท่าไหร่มันดิ้นจะไปพอปล่อยปั๊บนี้วิ่งเลยเข้าป่าสักเดี๋ยวนายพรานก็มาบางทีเวลานอนกลางคืนเหมือนกับว่าเอาเสือเป็นหมาเจ้าของนอนอยู่กลางคืน พอตื่นขึ้นมานี้เสือมานอนอยู่ด้วยแล้วมานอนอยู่กับคนมันไม่กลัวคนเพราะเป็นครูเขานี่ครูเสือนี่หละเรียกไสยศาสตร์คนนี้ก็ขี่เสือเก่งคนนี้ก็เหมือนกันขี่เสืออยู่บ้านแหวง บ้านทําดีอยู่นี่แหละขาแดงเขาเรียกพรานพ่อคนเตี้ยๆขี่เสือมาเรื่อยคนเจอเรื่อยครูเขามีนะถ้าผู้ขี่เสือไปไม่ให้เจอคนถ้าเจอคนเสือมันจะตะบบเจ้าของโหกทีเดียวตะปบเจ้าของแล้ววิ่งหนีเลยเจ็บเสือมันตะปบเจ็บเลยต้องไปลั บ, ลบๆเงียบๆ พอจะมีคนต้องปล่อยเสือไปเสือมันบอกก่อนแหละเสือสติมันดีมันบอกก่อนเลยที่จะไปเจอคนธรรมดานี้ไม่เคยมีแม้นายพรานก็ตามเขาไปอย่างด่อมดอมมองมองนายพรานเขาไปนี้เขาไปด่อมด้อมมองมองหายิงสัตว์แม้อย่างนั้นเสือมันก็รู้จนได้หากมันทําท่าดิ้นไปดิ้นมา แสดงว่านี่มีคนมาแล้วข้างหน้าพอปล่อยนี้มันจะวิ่งเข้าป่าปับ๊บสักเดี๋ยวก็เจอคนมานี่เขาเรียกไสยศาสตร์เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลกดินแดนใครเสาะแสวงหายังไงพอเจออย่างนั้นเพราะของมีอยู่ด้วยกันพวกผีพวกอะไรอะไรจิตวิญญาณอะไรมันเข้าสิง วิชานี้มีวิญญาณอยู่ในนั้นในหลักวิชาอย่างพวกที่เขาทำคนก็เหมือนกันนั่นแหละพวกนี้ทางขเขมรมีมากนะขเขมรมีมากวิชาอย่างนี้พวกโซ่พวกขามีมากอยู่ฝั่งลาวไปทางโน้นแต่ก่อนเขาใช้วิชาอันนี้ทำคนให้ตายก็ได้ทำคนให้รักกันเขาเรียกทำสเสน่ห์อะไร อย่างนั้นก็ได้ทําคนให้ตายเลยก็ได้ทําได้ทุกแบบวิชาพวกนี้นี่เขาเรียกไสยศาสตร์ถ้ามีผู้เรียนผู้รักษาอยู่สิ่งเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่ถ้าไม่มีผู้เรียนไม่มีผู้รักษามีก็เหมือนไม่มีเพราะใครไม่ได้สัมผัสมันถ้ามีวิชาวิชานั่นแหละ ไปเกี่ยวโยงกันกับสินเหล่านี้มาอยู่กับเจ้าของ